ตัวอย่างของการระลึกชาติตอนที่2พระเอกหนังคาวบอยอเมริกันเกลนฟอร์ดเป็นดาราอเมริกันในหนังประเภทลูกทุ่งตะวันตกหรือที่เราเรียกว่าคาวบอยเมื่อสมัย1ิบปีกว่ามาแล้ว เป็นพระเอกที่มีลักษณะสมเป็นชายชาติชาตรีหนังเรื่องที่เกรนฟอร์ดแสดงและให้คติชีวิตได้ดีมากก็คือเรื่องชายชาติอาชานัยซึ่งเป็นหนังเรื่องชีวิตจริงของคาวบอยที่แสดงให้เห็นเบื้องหลังของคาวบอยอย่างแท้จริงว่าไม่ได้เป็นของน่าสนุกสนานหรือโกรูอย่างที่เราเห็นในจอเงินนั้นเลยหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นหนังเงินล้านหรืออิตเหมือนกับเรื่องอื่นๆแต่เป็นหนังที่เกรนฟอร์ดแสดงบทบาทได้ดีมาก และบุคลิกลักษณะของเกรนฟอร์ดในเรื่องนี้ก็สง่าหน้าเกรงขามไม่แพ้หนังเรื่องแค้นซึ่งเบคิมเฟมูแสดงอยู่ในขณะนี้เลยต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ของเกรนฟอร์ดซึ่งแปลามาจากนิตยสาราชื่อ v o i c e of Buddhism ของพุทธสมาคมแห่งกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย เป็นฟอดปัจจุบันอายุ53ปีสามารถระลึกชาติได้โดยอาศัยการยอมให้สะกดจิตจนเข้าสู่ภวังข้อที่น่าสังเกตก็คือฟอดสามารถระลึกชาติได้ไม่ใช่ชาติเดียวซึ่งเป็นเครื่องยืนยันอีกประการหนึ่งถึงข้อเ ท, ท็จจริงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีการสะกดจิตฟอดได้กระทาโดยดอร์มอริสเบนจามินแห่งลอสแอเจลิส ในครั้งแรกๆปรากฏว่าไม่ได้ผลอย่างไรต่อเมื่อได้ลองกระทำซ้ำๆหลายหนเข้าดอกเตอร์เบนจามินก็สามารถต่อต้านแรงขัดขืนในจิตใต้สำนึกของฟอร์ดได้เป็นผลสำเร็จต่อจากนั้นจิตของฟอร์ดก็ผ่านเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าตกภวังการสะกดจิตนี้ได้กระทำเมื่อปลายปี1966 6, จนกระทั่งถึงปลายปี1967ประมาณ1ปี ปรากฏว่าฟอร์ดสามารถระลึกชาติได้ไม่ใช่ชาติเดียวแต่ถึงสองชาติชาติในอดีตชาติแรกที่ฟอร์ดระลึกได้นั้นปรากฏว่าเขาเกิดเป็นชาวสกอตชื่อชาวสจวตซึ่งเกิดเมื่อคริสตศักราช1774ที่เอรยินประเทศสกอตแลนด์เขาตายด้วยวันโรคเมื่อปีคริสตศักราช1812 ในชาตินั้นเขาเป็นครูดนตรีในระหว่างการถูกสะกดอฟอดได้ออกเสียงพูดสำเนียงของชาวสก็อตด้วยเสียงอูอี้อย่างสังเกตได้ชัดว่าแปลกไปจากสำเนียงอเมริกันเป็นอย่างมากเขาได้เล่าว่าเขาเป็นครูดนตรีสอนให้เด็กๆผู้หญิงเล่นเป็นโนก็จริงแต่จิตใจของเขาในขณะนั้นใฝ่ฝันที่จะอยู่กับม้ามากกว่าเพราะเขามีนิสัยชอบม้ามาก ดรเบนจามินผู้สะกดจิตได้ขอร้องให้ฟอร์ดเล่นเป็นโนให้ฟังโดยในระหว่างการสะกดนี้ก็ได้มีการอัดเทปไว้ตลอดเวลาหลังจากที่ออกจากภาวะการตกภาวังแล้วปรากฏ ว, ว่าฟอร์ดแสดงการประหลาดใจอย่างมากที่ได้ฟังฝีมือการเล่นเป็นโนของตนเองว่าเล่นได้ดีถึงเพียงนั้นเขาบอกว่าเขาประหลาดใจและตื่นเต้นกับการเล่นเป็นโนของเขามากกว่าสมเด็งชาวสกอตของเขาเสียอีก เขาบอกว่าผมเล่นเป็นโนไม่ได้หรอกครับไม่เคยเล่นเลยและดูโน้ตก็ไม่เป็นเลยสักตัวรู้สึกว่าเขางงงวยจนพูดไม่ถูกเมื่อได้ฟังฝีมือของตนเองเล่นเพลงที่ยากๆชนิดคลาสสิกของบิทเฟนและโมซาดได้อย่างไม่น่าเชื่อ การสะกดจิตระยะที่2ได้กระทำกันที่บ้านของฟอรดเองโดยมีบุตรชายอายุ23ปีของฟอรดเป็นพยานอยู่ด้วยการสะกดจิตระยะนี้ทำได้ลึกมากจนกระทั่งฟอรดสามารถระลึกย้อนหลังไปได้อีกชาติหนึ่งฟอรดได้อุทานว่าผมได้กลิ่นมา้าคำอุทานนี้ในตอนนั้นยังไม่มีใครทราบว่ามีความสำคัญเพียงใด มาดาของฟอร์ดต่อมาได้กล่าวว่าฟอร์ดได้อุทานประโยคนี้มาแล้วเมื่อตอนที่เขายังมีอายุได้เพียงสองขวบเท่านั้นมานดาของฟอร์ดกล่าวต่อไปอีกว่าในตอนนั้นฟอร์ดยังไม่เคยเห็นม้าเลยและก็แน่นอนว่ายังไม่มีทางทราบได้เลยว่ากลิ่นของม้าเป็นอย่างไรต่อจากนั้นฟอร์ดได้กล่าวถึงรายละเอียดในชาตินั้นว่า เขาเกิดที่กรุงแวร์ซาย์ประเทศฝรั่งเศสโดยได้ทำหน้าที่เป็นนายทหารม้าในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14คือในระหว่างรกรกช 1643-1715 ในระหว่างนี้ฟอร์ดได้พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสตามสำเนียงของชาวปารีสอย่างคล่องแคล่วซึ่งเป็นลักษณะของชาวปารีสในสมัยโบราณ น, นั้นด้วยทั้งๆที่ความจริงฟอร์ดพูดภาษาฝรั่งเศสเกือบจะไม่ได้เลย นอกจากประโยคสั้นๆง่ายๆในภาพยนตร์สอนภาษาฝรั่งเศสขั้นต้นเท่านั้นฟอดเล่าว่าในตอนนั้นเขาเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อลองโวชเป็นคนมีนิสัยกล้าหาญอย่างบ้าบิน่นและได้ถึงแก่ความตายอย่างรุนแรงโดยถูกฆ่าตายตั้งแต่ยังหนุ่มๆในระหว่างเล่าเรื่องภายใต้ภาวะการสะกดจิตนั้น ปรากฏว่าเขาบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดในขณะที่กล่าวถึงตอนที่จะตายโดยถูกฆ่าในสมัยนั้นลองโวเป็นคนมีนิสัยเกลียดชังพวกผู้ดีอย่างรุนแรงแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาจนได้โดยปรากฏว่าเขาได้ตกหลุมรักภรรยาของผู้ดีมีสกุลคนหนึ่งเข้าต่อมาเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงท่านผู้ดีซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงผู้นั้น จึงทำให้เขาโกรธมากได้ว่าจ้างนักดาบผู้มีฝีมือผู้หนึ่งให้คอยดักเขาและขอท้าดวลกันผลก็คือเขาได้ยอมรับคำท้าและในที่สุดก็สู้ไม่ได้จึงถูกแทงถึงแก่ความตายฟอร์ดได้กล่าวว่าน่าแปลกที่ยังมีรอยแผลเป็นอยู่ในชาติเนี้แล้วมันได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดอยู่ บ, บ่อยๆโดยไม่มีเหตุผล การระลึกชาติได้ของฟอร์ดได้ทำให้เกิดการคลี่คลายเรื่องที่น่าพิศวงบางประการในชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีเป็นต้นว่าคําอุทานเรื่องม้าและนิสัยของเขาที่ชอบม้ามาตั้งแต่ยังเด็กๆไม่รู้เดียงสาในชาตินี้เกรนฟอร์ดได้มีโอกาสขี่ม้าเป็นครั้งแรกเมื่ออายุได้1ิบขวบแต่พอได้ขึ้นม้าครั้งแรกเขาก็รู้สึกทรมัดทะแมงคล่องแคล่วอย่างน่าประหลาดใจ เรื่องนี้จะอธิบายด้วยประสบการณ์ในชาตินี้ไม่ได้เลยแต่กลับมีส่วนเกี่ยวโยงกับการระลึกชาติเมื่อตอนที่เขาเป็นนายทหารม้าในฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเครื่องแสดงว่าความชำนาญเช่นนั้นได้เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีตชาตินั่นเองหมายเหตุ เรื่องการระลึก ช, ชาติได้ของชาวตะวันตกผู้ไม่เชื่อในเรื่องการกลับชาติยังมีอีกมากนับวันจะมากพอๆ ก, กันกับชาวพุทธที่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะได้นามาแปลลงตามโอกาสอันควรต่อไปลงชื่อสิริพุทธสุข